จเจริญพรท่านผู้มีเจตสธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่า จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง <c oughs> ขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดการพัฒนาชีวิตจิตใจด้วยการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่จะพัฒนาจิตใจและชีวิตให้เจริญยั่งยืนอย่างถาวรไม่เสื่อมเหมือนกับการพัฒนาตามรูปแบบของพวกเราที่มุ่งไปพัฒนาที่ลาบยศสรรเสริญ ที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายที่เป็นการพัฒนาที่จะต้องมีวันจบมีวันสิ้นเพราะเมื่อร่างกายเราตายไปน้ำยกสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดสภาพไปมีเงินกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็กลายเป็นของคนอื่นไป มีตำแหน่งมียศสูงขนาดไหนก็กลายเป็นของคนอื่นไปไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเลยถ้าเรามาพัฒนาทางด้านลาบยศเสริญทางร่างกายเพราะเวลาร่างกายตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเราก็จะไปแบบคน ไม่มีวาสนาไม่มีบุญไม่มีบารมีแล้วเราก็จะไปเกิดเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยอาภัพวาสนาแต่ถ้าเรามาสร้างบุญสร้างบารมีกันเวลาเราไปเราจะไปแบบผู้มีวาสนามีบารมีเหมือนกับภพบนิชานี้พวกเราที่มาเกิดกัน ก็มีความแตกต่างกันทางด้านบุญบา ร, รมีทางวาสนานะบางคนก็มีวาสนาบา ร, รมีสูงส่งได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ร่ำได้รวยได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามผ่องใสมีอาการครบ32มสีสติปัญญาที่เลอเลอนะมีอายุยืนยาวนาน นี่คือผลที่ได้รับจากการสะสมบุญบารมีผลที่ได้รับจากการพัฒนาจิตใจแทนที่ใจไปพัฒนาที่ร่างกายพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะบารมีที่พระองค์ได้สงสะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาติพวกเราก็จะได้เป็น เหมือนกับพระพุทธเจ้าถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ได้เป็นพระอาหารหันตสาว ก, ก็มีผลเท่ากันเพราะการเป็นพระพุทธเจ้าหรือการเป็นพระอาหารหันตสาบ ก, ก็ได้พบกับพระนิพพานได้พบกับความเจริญที่สูงสุดของชีวิตจิตใจไม่ต้องกลับมาเวรว่าตายเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนะเกิดในภพใดชาติในถ้ายังไม่ได้ไปถึงบันิพานก็จะมีบุญบารมีมาศาสนาสนับสนุนทำให้เป็นผู้มีความเจริญในลาบยศสรรเสริญมีความสุขมีวาสนาบีบบารมีดังนั้นพวกเราควรที่จะแบ่งเวลา มาสร้างบารมีกันเพราะบารมีเราเอาติดตัวไปได้เงินทองเข้าของบุคคลต่างๆเราเอาติดตัวไปไม่ได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปดังนั้ น, นขอให้เรามาสร้างบารมีกันที่มีอยู่สิบชนิดด้วยกันบารมีข้อที่หนึ่งก็คือ เมตตาบรารมีกอให้เรามาสร้างความปรารถนาดีสร้างไมตรีจิตสร้างความรักต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่ากโกรธอย่ากเกลียดอย่าคิดร้ายอย่าพูดร้ายอย่าทําร้ายผู้อื่นให้เราคิดดีพูดดีทําดีต่อผู้อื่นอย่างวันนีญาติโยม ที่มาวัดได้ก็เพราะมีเมตตาบารมีอยากจะมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่กันอย่างมีความสุขจึงได้นำเอาปัจจัยสี่เช่นกับข้าวกับปลาของใช้ของของใช้ของบริโภคต่างๆมาแบ่งปันให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้ก็เกิดจากความนไม่ตรีจิตมีความเมตตา อันนี้ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะสามารถสร้างบารมีต่างๆได้ถ้าขาดความเมตตาเราจะไม่สามารถสร้างบารมีอื่นๆได้เช่นบารมีข้อที่สองถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสร้างทานบารมีได้ทานก็คือการให้การแบ่งปันข้าวของเงินทอง ต่างๆที่เรามีอยู่มากเกินไปใช้ก็ใช้ไม่หมดเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาของเหล่านี้มาแปลงเป็นทานบา ร, รมีดีกว่าผู้ที่ทำทานบา ร, รมีมากๆเวลาไปเกิดพบหน้าชาติหน้าจะมีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองมากเพราะการทำทานนี้ เป็นเหมือนเอาทรัพสมบัติเข้าของที่เราไมีอยู่ในชาตินี้เอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญธนาคารบุญคือของของนี้ไปทำบุญทำแล้วก็จะได้บุญบุญก็จะเป็นสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้พอเราไปเกิดชาติหน้าเราก็ไปเบิกเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญได้ ไปเกิดร่ำรวยอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรก็ทรงทำทานบารมีอย่างอย่างโชคโชนมีอะไรก็ยินดีที่จะให้ผู้อื่นใครเดือดร้อนใครอยากจะได้อะไรขอมาก็ให้ไปพอตายไปก็ได้ไปท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์แล้วพอลงจากสวรรค์ลงมา ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชกุมารมีพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินมีประสาสามฤดูมีบริษัทบริวารมาคอยรับใช้มาคอยตอบสนองความต้องการต่างๆอันนี้เป็นอนิสงค์ของการทำทางของการที่เราเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ในชาตินี้ เอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญแต่ชาตินี้เราอย่าไปหวังรวยเพราะการทำบุญนี้เพื่อทำให้เราจนนั่นเองทำให้เรามีทรัพย์น้อยให้มีไวพรอที่จะใช้สอยพออยู่ได้ก็พอแต่อย่าอย่าทำบุญในชาตินี้เพื่อหวังให้ร่ารวยในชาตินี้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดและจะผิดหวัง เพราะยิ่งทำยิ่งมากเท่าไหร่เงินทองก็ยิ่งหมดไปไม่ใช่จะได้มาเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดได้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นเพราะาบุญเก่าที่เราทำไว้ในชาติก่อนที่มาส่งผลในชาตินี้ก็เลยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพอชาตินี้ทำบุญแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาแต่ความจริงความร่ำรวยของชาตินี้มันเกิดจากการทำบุญ ในชาติก่อน <C oughs> การทำบุญในชาตินี้ก็จะทำให้เราร่ำรวยในชาติหน้าคือการทะสร้างทานบารมีนี่คือบารมีข้อที่สองบารมีข้อที่สาที่เราจะสร้างถ้าเราสร้างทานบารมีได้เราก็จะสร้างบารมีข้อที่สานี้ได้ก็คือศีลบารมีเพราะว่าคนที่สร้างทานบารมี จะเป็นคนที่ไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะชอบสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบลักทรัพย์จะไม่ชอบประพฤติผิดต่อเวรจออวกกวีจะไม่ชอบชอบพูดปกรโกหกหลอกลวงจะไม่ชอบดื่มสุรายาเมาก็เลยทำให้สามารถรักษาศีลบารณีได้อย่างง่ายดายในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบทานสร้างทานบารณีเป็นคนที่ไม่มีความเมตตาบะมีแต่ความเห็นแก่ตัวก็จะไม่ชอบทำทานแล้วก็จะไม่ชอบรักษาศีลเพราะว่าถ้ารักษาศีลแล้วจะทำให้หาอะไรได้ยากเพราะคนที่เห็นแก่ตัวนี้อยากจะได้อะไรมาแบบง่ายๆและเร็วๆนั่นเอง ก็จะมักไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีแต่คนที่มีความเมตตาคนที่ทำทานได้จะมีความปรารถนาดีจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่ทำร้ายผู้อื่นจะไม่พูดร้ายต่อผู้อื่นก็จะมีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติจะรักษาศีลได้อย่างง่ายดาย นี่คือบารมีของศีลที่เกิดจากการที่มีเมตตามีทานบารมีพอรักษาศีลได้มีศีลบารมีก็จะสามารถขยับขึ้นไปสู่เนคข ม, มะบารมีได้เนคข ม, มะก็คือการถือศีลแปดการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นเพิ่มศีลข้อที่6ไม่กินอาหารด้วยความอเลตอร่อยเพื่อความสุขทางใจแต่กินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้กินพอหลังกินก่อนเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันไม่ต้องกินเพราะถ้ากินนี้เป็นการกินเพื่อหาความสุขทางใจซึ่งเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะทําให้เกิดโทษ ก็จะทำให้กินมากเกินไปแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของร่างกายได้แล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจผู้ที่จเจริญเนืขัมมะบรมีนี้ก็เพราะว่าต้องการยุติหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจแทน ถ้ายัางหาความสุขทางร่างกายก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจดังนั้นผู้ที่ต้องการความสุขทางใจที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายด้วยการรักษาสีแปดเรียกว่าเป็นการเจริญนขคัมมะบาลีคือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ในขมมแปลว่าการออกจากกามสุขนะกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติดที่จะต้องทำให้เกิดความทุกข์ตามมาทีหลังเวลาที่สูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปหรือเวลาที่ไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้แทนที่จะมีความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป ดังนั้นผู้ที่รักษาศีห้าได้ก็จะรู้สึกว่ารักษาศีแ8นี้ไม่ยากเพราะเพียงเพิ่มอีกสข้อเท่านั้นเองข้อที่สมก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดปรเวณีมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับใครเพราะเราไม่ต้องการเสียเวลากับการร่วมหลับนอนกันเราจะมานั่งสมาธิทาใจให้สงบกัน ข้อที่6ก็ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันข้อที่7ไม่หาความสุขจากมหหรสบบันเทิงไม่ไปตามแหล่งบันเทิงไปรงภา พ, พยนตร์ไปร้านอาหารไปบาร์ไปผับเนี่ยจะไปอยู่บ้านหรือไปอยู่วัดไปหาที่สงบเงี่ยบเพื่อจะได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วข้อที่8ก็จะไม่นอนบนฟูกหน า, นา ก็จะนอนมากเกินไปธรรมดาร่างกายนี้นอนเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอแต่ถ้านอนบนฟื้นหนาๆมันนุ่มมันสบายพอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสุขมันสบายก็เลยจะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็จะทําให้ไม่มีเวลามานั่งสมาธินี่คือเป้าหมายของการรักษาศีลแปด เป้าหมายของการเจริญเนคขัมมะบรารมีเพื่อที่จะทำให้เรามีเวลามาสร้างบรารมีขั้นต่อไปก็คือโอเบขาบารมีที่จะเกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วใจจะมีอุเบขาอุเบขานี่ก็คือความนิ่งความเฉยของใจ ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรเห็นอะไรก็เฉยเฉยเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าก็เฉยเฉยเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เฉยเฉยจะไม่รู้สึกเกลียดชังใครใครจะช่วใครจะร้ายใครจะไม่ดีก็ไม่เดือดร้อนเป็นเรื่องของเขาเห็นภัยอะไรต่างๆก็ไม่กลัวเพราะใจนี้ไม่มีวันตาย ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อใจมีความสงบแล้วใจจะไม่มีความเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราหรือบุคคลที่เราลักจะไม่มีความเสียใจจะไม่มีความเดือดร้อนอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ต, ตอนนี้พวกเรามีความสุขแบบวุ่นวายกันพออะไรมากระทบกับของที่เราลักหรือกับตัวเราหน่อยก็กลัวละเดือดร้อนขึ้นมาละหวั่นไหวละเจ็บตรงนั้นไหนปวดตรงนี้ไหนก็เริ่มเกิดความวิตกล้วว่าจะเป็นอะไรจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่พวกเรามีกันอยู่เพราะพวกเราไม่มีอุเบกขาบารมยถ้าพวกเราหมั่นปฏิบัติสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะมีอุเบกขาบารมยใจจะไม่หวั่นไหวไม่กไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดขึ้นกับสิ่งของทรัพสมบัติต่าง ของเราหรือของใครก็ตามเราจะไม่เดือดร้อนเลยนี่คืออุเบกขาบาลมีที่พวกเราจะสร้างจากการที่มานั่งสมาธิกันแต่มันจะเป็นแต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอไปเห็นเรื่องต่างๆก็อาจจะทําให้หายไปได้เราก็ต้องมาสร้างบารมี ออกอันหนึ่งคือปัญญาบรารมีปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะสามารถรักษาอุเบกขาของใจไว้ได้เวลาเห็นอะไรถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเที่ยงไปอยากให้เขาเป็นปลายทางความต้องการของเรา เราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการความวุ่นวายใจต้องการใจนิ่งใจสงบเราก็ต้องเห็นว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็จะเสียใจถ้าไม่เอามาก็จะไม่มีวันเสียใจนี่คือปัญญาสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันจะสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเราเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาจากไปก็จะเสียใจถ้าเราเห็นว่าจะต้องเสียใจเพราะมันจะต้องจากเราไปเพราะมันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเราก็อย่าไปเอามันดีกว่า อยู่กับความเฉยๆอยู่กับสมาธิอยู่กับความสงบดีกว่าอันนี้ปัญญาจะสอนให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าเราไปยึดไปติดเราจะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดถ้าเราปล่อยวางเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าของทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการพัดพากจากกันไปนั่นเองถ้าเราปล่อยเวลาเราจากกันเราจะมีความสุข แต่ถ้าเรายึดเราติดเวลาจากกันเราจะเสียอกเสียใจจะร้องหมร้องไห้นี่คือปัญญาที่เราจะต้องคอยสอนใจว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะทำให้เราต้องทุกเวลาที่เขาจากเราไปแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเขา เวลาเขาจากเราไปเราจะไม่ท <owad> <an> ุกข์ถ <Yeah. S 2> ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ถ้ารู้ว่ามีแฟนแล้วจะทุกข์ก็อยู่คนเดียวดีกว่าถ้ารู้ว่ามีลูกแล้วจะทุกข์ก็อย่าไปมีลูกดีกว่าถ้ารู้ว่ามีร่างกายแล้วจะทุกข์เพราะว่าร่างกายจะต้องตายก็อย่าไปมีร่างกายดีกว่า พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่มีร่างกายแล้วเพราะท่านเห็นว่าร่างกายนี้มันทุกข์พอมีร่างกายแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เลยตัดความอยากมีร่างกายออกไปจากใจพอร่างกายของท่านตายไปท่านกลับไม่ไปหาร่างกายอันใหม่พวกเราถ้ายังมีความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ยัง ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่ต้องการมีร่างกายอันใหม่เราต้องหยุดใช้ร่างกายอันนี้อย่าไปใช้ร่างกายหาความสุขใช้ใจหาความสุขดีกว่าใช้การนั่งสมาธิใช้ปัญญาหาความสุขดีกว่าคือหาความสุขทางใจทําเพียงแต่ทําใจให้สงบแล้วรักษาความสงบนั้นไม่ให้เสื่อมจากใจไปใจก็จะมีความสุขไปตลอด ใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือการพัฒนาจิตใจด้วยบารมีต่างๆเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีในขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมี และการที่เราจะสร้างบารมีเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้สิ่งที่เราต้องมีก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานคือความตั้งใจเราต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้ชีวิตที่เราไีอยู่เหลืออยู่นี้เราจะไม่ไปหาเงินหาทองแล้วเราจะไม่ไปหาความสุขทางนั่งกายแล้วเราจะมาหาบารมีกันเราจะมาเจริญมตรตาบารมีจะมาทำทานบ บารมีจะมาเจริญศีลบารมีนี่เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าตั้งเป้าตั้งเป้าหมายของชีวิตเราว่าเราจะทำอะไรเราจะทำทานเราจะรักษาศีลเราจะปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าอธิษฐานบารมีถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานเราก็จะไม่ทำ เช่นวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมาวัดเราก็จะไม่ได้มาวัดพอตื่นขึ้นมาพอมีเพื่อนโทรมาชวนให้ไปเที่ยวก็ไปเลยแต่วันนี้ได้ตั้งใจว่าจะมาวัดพอตื่นขึ้นมาก็เลยเตรียมตัวออกเดินทางมาวัดใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่ไปถ้าไปก็แสดงว่าขาดบรารมีอีกอันหนึ่งคือสัจจะบรารมีถ้าเรา มีตั้งอธิษฐานแล้วเราต้องมีสัจจะด้วยคือความแน่วแน่ต่อการตั้งใจของเราไม่เปลี่ยนใจถ้าเราเปลี่ยนใจก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะถ้าเรามีสัจจะเราก็จะไม่เปลี่ยนใจเช่นพอเราตั้งใจจะมาวัดแล้วพอจะมาวัดมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวเราก็บอกขอเขาว่าไม่ไปเราจะมาวัดเนี่ย อันนี้แสดงว่าเรามีสัจจะเราตั้งใจอะไรแล้วเราจะต้องทำในสิ่งที่เราตั้ ง, งใจไว้ให้ได้เรียกว่ามีสัจจะพอมีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีมาสนับสนุนถ้าเราตั้งใจจะมาวัดแม้ไม่เปลี่ยนใจแต่เกิดความเกลียดคข้างขึ้นมาก็อาจจะไม่ออกเดินทางมาก็ได้ก็จะอยู่ที่บ้าน อันนี้เพราะไม่มีวิทยะบาลมี ม, ม, มีความเกียจครา้านดังนั้นเมื่อตั้งใจแล้วไม่เปลี่ยนใจแล้วขั้นต่อมาก็ต้องมีความขยันเรียกว่าวิียะบารมีต้องบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ตั้งใจที่จะทำแล้วก็ต้องมีบารมีอีกอันหนึง่งเรียกว่าขันติความอดทน พอเวลาจะทำอะไรซึ่งเฉพาะการทำความดีนี้มักจะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีความอดทนก็จะทำไม่ได้<ม>เช่นขับรถมารถอาจจะยางแตกหรือน้ำมันหมดอย่างนี้ถ้าไม่มีความอดทนก็จะเปลี่ยนใจไม่มาดีกว่ากลับบ้านแต่ถ้ายังมีความอดทนก็จะฟันฝ่าอุปสรรคยางแตกก็ปะยาง น้ำมันหมดก็ไปหาน้ำมันมาเติมพอพอได้น้ำมันพอปะยางแล้วก็เดินทางมาถึงวัดได้นี่คือบารมีสีข้อที่จะทำให้เราทำบารมีต่างๆได้คือเราต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราถึงจะทำเมตตาทานศีลเนคขมะอุเบกขา และปัญญาบารมีได้ถ้าเราทําได้รับรองได้ว่าอนาคตของพวกเราจะต้องไปถึงพระนิพพานกันด้วยกันทุกคนอย่างแน่นอนจะไปถึงช้าหรือถึงเร็วก็อยู่ความขยันเหมือนเพียรถ้าขยันทํามากก็จะไปได้เร็วถ้าขยันทําน้อยก็จะไปได้ช้าช้าเร็วอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความพยายามดังนั้น ขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัตินาสอนให้พวกเราปฏิบัติก็คือให้พวกเราหมั่นสร้างบารมีกันหมั ina, that that ่นสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเนคขมะบารมีสร้างอุกเบกขาบารมีสร้างปัญญาบารมีด้วยการใช้อธิษฐานบารมีสัจจะบารมี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 แล้วก็ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ